เอสมันกับสิงกี้กละลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีราชวงศ์ที่มีความสุขในอนาณาจักรที่งดงามพระราชาและพระราชินีมีโอรสที่ชื่อเอสมันและพระธิดาที่ชื่อสิงกี้พวกเขาทั้งสองรักกันเป็นอย่างมากเจ้าชายและเจ้าหญิงถูกสั่งสอนมาเป็นอย่างดีทําให้เติบโตมาเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงที่ชาญฉลาดมีทั้งพรสวรรค์และความสามารถ พวกเขาทั้งสองมีสิ่งหนึ่งที่รักมากนั่นก็คือธรรมชาติไหนที่สุดข้าก็ไปโน้มน้าวท่านพ่อมาแล้วอะไรหรอขอต้นโอ๊กใช่ไหมแก่เลยนะต้นโอ๊กไม่ใช่ต้นไม้โอ้ยพอเลยเจ้ารู้ว่าข้าก็เหมือนกับเจ้าข้าอยากอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นเหมือนกันนั่นแหละ เจ้าห้ามไปถ้าหากไม่มี่ะาอ๋ก็ได้ก็ได้ข้าขอท่านพ่อแล้วสำหรับต้นไม้ให้พวกเราสองคนแล้วเป็นไงเขาตกลงเย้เย้ในที่สุดเราก็จะได้สร้างบ้านในโพรงของต้นไม้เก่าแก่ได้สักทีจินตนาการว่ากำลังอยู่ในต้นไม้ท่ามกลางผืนป่าและยังได้ใกล้กับวังใกล้กับท่านแม่ท่านพ่อ เอสมันเราโชคดีสุดๆไปเลยดังนั้นเจ้าชายและเจ้าหญิงจึงไปที่ต้นโอ๊กกลวงในป่า2ต้นซึ่งใกล้กับพระราชวังและสร้างบ้านของพวกเขาเองพวกเขานำเฟอร์นิเจอร์ที่พวกเขาชอบจัดไว้ในบ้านต้นไม้พวกเขาทั้งสองต่างมีความสุขในป่าพวกเขาตื่นขึ้นด้วยเสียงร้องของพวกนกกินอาหารกลางแจ้งใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ราวกับทุกๆวัน เป็นการปิกนิกที่สวยงามวันหนึ่งพระราชาและพระราชินีส่งสารมาถึงพวกเขาฟาบาตเจ้าชายเอสมันและเจ้าหญิงซิงกี้มีอะไรเหรอโจนาธานพระราชาและพระราชินีมีสารมาถึงท่านขอบใจมาก <laughs> นี่ของเจ้าน้องสาวอะไรงั้นเหรอชัดเจนเลยเจ้าชายริงแห่งอาณาจักรรีบา ม, มา่า หลงรักเจ้าและเขาอยากขอเจ้าแต่งงานอะไรนะเอามานี่สิได้ยินมาว่าเขาหล่อเหลาเอาการนะและข้าได้ยินมาว่าเขาเองก็มีน้องสาวที่งดงามงั้นเจ้าจะเอาอย่างไงจะไปพบเขาไหมข้าก็ไม่รู้นะเขาจะมาเมื่อไหรล่ล่ะวันศุกร์หน้าอีกห้าวันหลังจากนี้ท่านแม่กับท่านพ่ออยากให้เรากลับพระราชวัง อีกตั้งห้าวันเราไม่ต้องกลับวันนี้ก็ได้เราน่าจะกลับในวันพุธสองวันก็น่าจะพอสำหรับการเตรียมชุดของเจ้านะไม่แน่นอนข้าจะไม่ใส่ชุดร่าหรูอะไรทั้งนั้นข้าจะให้เขาพบข้าในแบบที่ข้าเป็นนี่แหละในขณะนั้นมีคู่พี่ชายน้องสาวอีกคู่อาศาัยอยู่ในป่า เป็นแม่มดและพ่อมดเช้าวันหนึ่งขณะที่เอ็ดมันและชิงกี้กำลังออกเรือในทะเลสาบแม่มดและพี่ชายของเธอก็เห็นพวกเขาเมื่อได้เห็นความงามของชิงกี้แม่มดก็รู้สึกอิจฉาบังอาจมากที่มีคนงดงามกว่าข้าอาศัยอยู่ในป่าของข้ายัางนั้นเหรอข้าได้ยินมาว่าความงามของนางเรืองชื่อมาก จนเจ้าท้าจากดินแดนห่างไกลจะมาพบเธอข้าไม่ยอมข้าไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเจ้าจะทำอย่างไงข้ารู้ว่าต้องทำยังไง นกน้อยว่าไงอ๊อ๊อบออบเออี่เจ้าไม่เป็นอะไรนะออข้คข้าไม่เป็นอะไรเออมีอะไรงั้นเหรอก็ข้าไม่เคยเห็นนกทําแบบนี้มาก่อนเลย <laughs> บางทีเจ้าชายเริงอาจส่ง ม, มันมาเป็นของกำนันแด่เจ้านะอะไรนะเจ้าพูดเป็นแต่เรื่องจิตสัมผัสงั้นหรืองไงกันเนี่ยซิงกี้และเอ็ดมันไม่รู้ตัวเลยว่า ความชั่วร้ายกำลังจะเล่นงานพวกเขาแม่มดสวมสร้อยของซิงกี้และเปลี่ยนตัวเองให้งดงามแบบนางพี่ชายของเธอไายเวทมนต์ชั่วร้ายใส่ต้นอกจงหลับซะจงหลับซะหลับแล้วก็นิ่งไปจนกว่ากลางวันจะมืดเหมือนกลางคืนตอนนี้พวกเจ้าจะหลับไปตลอดกาลจากนั้นพ่อมดไปหาครอบครัวราชวงศ์ ที่กําลังรอต้อนรับเจ้าชายริงจงหายไปซะหายไปให้หมดกลับมาได้เมื่อยามกลางวันมืดเหมือนกลางคืนตอนนี้พวกเขาหายไปตลอดการเมื่อเจ้าชายริงมาถึงเมื่อเขาพบกับแม่มดที่กลายเป็นเจ้าหญิงซิงกี้เจ้าชายริงก็ลุ่มหลงในความงามของเธอทันทีที่แรกพบท่านหญิงท่านคงจะเป็น เจ้าหญิงซิงเกอใช่แล้วฝ่าบาทและข้าเองก็รอที่นี่เพื่อแล่นเรือไปอยังดินแดนของท่านแต่ว่าแล้วท่านพ่อกับท่านแม่ของเจ้าละ่ะพ่อของข้าเออต้องไปออกรบดังนั้นพวกเขาหวังว่าพวกเราจะแล่นเรือไปอยังดินแดนของท่านและพวกเขาจะตามมาพร้อมกับข้อตกลงเกี่ยวกับงานแต่งงานข้าไปช่วยรบได้นะไม่ พ่อของข้าหวังไว้ให้พวกเราเล่นเรือกลับไปน่ะถ้างั้นก็มาสินี่โปรดรอในเรือของท่านก่อนข้าน่ะจะไปเอาของบางอย่างที่ข้ารักไปกับข้าด้วยนะสิได้เลยเจ้าชายรู้สึกค่อนข้างแปลกใจแต่เขาก็ไม่ได้สงสัยในสิ่งชั่วร้ายว่านี่จะเป็นแม่มดไม่ใช่เจ้าหญิงซิงกี้แต่อย่างใด ดังนั้นเขาจึงทำตามที่บอกแม่มดเข้าไปในป่าถอนต้นโอ๊กทั้งสองที่เจ้าชายเอ็ดมันและเจ้าหญิงซิงกี้หลับไหลอ ย, อยู่เนื่องจากนางไม่ต้องการให้มีหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้นแม่มดจึงนำต้นโอ๊กทั้งสองไปกับนางด้วยแม่มดและเจ้าชายริงเร่เรือมาถึงอาณาจักรของเจ้าชายริงพอ่อแม่และน้องสาวของเจ้าชายริงออกมาต้อนรับ คาเลหาถูกสร้างไวส้สำหรับแม่มดเพื่อที่เธอจะได้อยู่อย่างสุขสบายจนกว่าพ่อแม่ของเธอจะมางานแต่งงานแม่มดได้วางต้นโอ๊คที่เอ็ดมันและซิงกี้หลับไลไว้อยู่ในสวนและไม่มีใครเห็นต้นไม้เนื่องจากว่ามันเล็กมากๆเจ้าชายริงได้ไปเยี่ยมแม่มดและพานางไปยัางงานเลี้ยงเพื่อพบกับครอบครัวราชวงศ์ของเขา แม่มดเบื่อมากที่ต้องทำตัวอย่างแบบเจ้าหญิงนางเกลียดที่ต้องยิ้มตลอดเวลาและต้องทำตัวดีกับผู้คนแต่ละวันผ่านไปแม่มดเริ่มราคาญมากขึ้นเรื่อยๆที่จะต้องทำตัวดีนางต้องการกินให้มากเท่าที่นางต้องการเต้นและคำรามให้เหมือนกับแม่มดอย่างที่เคยเป็นโอ้แม่มดตอนนี้โกรธมาก นางเดินทางกลับไปที่คาลืหาดทำลายข้าวของและหวีดร้องอย่างที่เคยเป็นว้าวว้าข้าโมโหข้ากำลังคิดถึงรองเท้าคู่ใจของข้าชีวิตในป่าของข้าอยู่ที่ไหนกันจะเตะวิ่งและกรีดร้องได้อย่างที่ข้าชอบข้าเกลียดเกลียดการยิ้มทั้งวัน เดชมารยาทพูดดีและข้าก็หิวมากพวกมันกินน้อยอย่างนั้นได้ยังไงกันพวกมันเน่ะกินน้อยมากข้าจะกินพี่ชายของข้าถ้าเขายังไม่นำอาหารมาให้ข้าในตอนนี้ดเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นพี่ชายของเธอก็ปรากฏกายขึ้นพร้อมกับโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารข้าพอแล้ว ทนไม่เจ้าหญิงอีกต่อไปไม่ไหวละและข้าจะฆ่าเจ้าชายด้วยตัวของข้าเองเจ้าจะทําจริงๆเหรอพระราชาของอาณาจักรนี้ทรงอํานาจมากเขาจะลงโทษพวกเราทั้งคู่งั้นก็ไปนําตัวสิงค้ตัวจริงมาและพวกเราก็จะได้หนีไปยังไงละ่ะทําไม่ได้หรอกข้ารายคาถาที่ทําให้พวกเขานอนหลับจนกว่ากลางวันจะเหมือนกลางคืนมันเป็นไปไม่ได้เอ็ดมันและสิงกี้กลับมาไม่ได้แล้ว้ย เจ้านี่จะให้ข้าทำยังไงดีแต่พี่ชายของแม่มดพูดผิดพอมดที่โง่เขลาไม่รู้อะไรเลยว่ามีบางอย่างทำให้กลางวันกลายเป็นกลางคืนได้ซึ่งเรียกว่าสุริยุป ร, ราคาเมื่อดวงจันทร์บทบางดวงอาทิตย์ดังนั้นแสงจะส่องมายัางโลกไม่ถึงและกลางวันก็จะเปลี่ยนราวกับเป็นกลางคืนและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกลางวันต่อมา โอยไม่ได้ข้าไม่ยอมเด็ดขาดข้าจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วถ้าเจ้าชายมาในวันนี้ข้าจะฆ่าเขาทิ้งซะเขามาแล้วกำลังไปค่ะกำลังไปแม่มดเปลี่ยนร่างเป็นเจ้าส้อยคอของข้า เจ้านกนั่นนั่นต้องเป็นเจ้าชายริงแน่นอนเราต้องไปบอกเขานะในคืนนั้นเมื่อเจ้าชายกลับไปหลังจากที่ร่ำลากับแม่มดเอ็ดมันก็ไปหยุดขวางทางเขาเจ้าเป็นใครทําไมเจ้ามาขวางทางข้าเช่นนี้ข้าเจ้าชายเอ็ดมันพี่ชายของเจ้าหญิงซิงกี้งั้น สงครามจบแล้วเหรท่านพ่อท่านแม่ของเจ้าละ่ะไม่มีสงครามและผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในคฤหาสน์ก็ไม่ใช่น้องสาวข้านางไม่ใช่เจ้าหญิงซิงกี้นางเป็นแม่มดข้าจะเชื่อได้อย่างไงเจ้าพูดเรื่องอะไรนางไม่ใช่เจ้าหญิงซิงกี้แต่เป็นข้าเองมากับเราเถอะเอ็ดมันและซิงกี้พาเจ้าชายไปที่คฤหาสน์ เมื่อมองจากทางหน้าต่างไปที่ห้องของแม่มดนางทําลายข้าวของและกรีดร้องอีกครั้งนางถอดสร้อยของซิงกี้ออกและเปลี่ยนเป็นร่างของนางเอ้ยพอกันทีพอข้าคิดถึงรองเท้าคู่ใจของข้าชีวิตในป่าของข้าที่สามารถเตะวิ่งและก็กรีดร้องได้อย่างที่ข้าชอบใจข้าเกลียดการเสแสร้งที่ต้องยิ้มแล้วก็ทาตัวดี มารยาทของพูดดีเหล่านั้นและข้าก็หิวพวกมันกินน้อยแบบนี้ได้ยังไงกันข้าจะกินพี่ชายของข้าซะถ้าเขายังไม่นําอาหารมาให้ข้าอีกทันใดนั้นพี่ชายของนางก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารข้าพอแล้วข้าทนเป็นเจ้าหญิงต่อไปไม่ไหวแล้วและข้าจะต้องฆ่าเจ้าชายด้วยมือของข้า เจ้าแน่ใจเหรอพระราชาของอาณาจักรนี้ทรงพลังมากเขาจะลงโทษพวกเราทั้งคู่งั้นก็ไป น, นําตัวสิงกี้ตัวจริงมาแล้วพวกเราก็จะได้หนีไปยังไงละ่ะทําไม่ได้ขอะไร้คาถาที่ทําให้พวกเขานอนหลับจนกว่ากลางวันจะเหมือนกลางคืนมันเป็นไปไม่ได้เอ็ดมันและสิงกี้กลับมาไม่ได้แล้วงั้นถ้าเจ้าชายมาในวันพรุ่งนี้เช้าพวกเราก็จะไร้คาถาใส่เขาบนพระราชวังแล้วก็หนีไปซะ ไม่เจ้าอย่าหวังเลยเจ้ากลับมาไนดะ้ยังไงเพราะกลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืนจริงเหรอเมื่อไรเจ้าน่าจะไปทบทวนความรู้ทั่วไปของเจ้าหน่อยนะเราต้องส่งสารไปหาท่านพ่อกับท่านแม่ของพวกเราพวกท่านต้องเป็นห่วงเราแน่ดังนั้นสารจากเอ็ดมันและสิงกี้ถูกนำส่งไปยังพระราชาและพระราชินี พวกเขาได้รับการปลดปล่อยจากคาถากลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืนพวกเขาทั้งหมดมาที่อาณาจักรของเจ้าชายริงเจ้าชายริงตกหลุมรักซิงกี้อย่างไม่มีเงื่อนไขเอ็ดมันตกหลุมรักน้องสาวของเจ้าชายริงทั้ง2คู่แต่งงานกันงานเฉลิมฉลองจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และงดงามพวกเขาทั้งหมดใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสําหรับพ่อมดและแม่มดพวกเขาถูกขังไว้อยู่ในต้นโอ๊กเดียวกับที่พวกเขาเคยทําและยังอยู่แม้กระทั่ง กลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืน